เออนั่งตามสบายๆนานๆนนพวกเราจะได้มาพบมาเจอกันหลวงพ่อมาที่นี่เป็นครั้งแรกไม่เคยมาก็ว่าตั้งท่าตั้งทางมาหลายครั้งแล้วละ่ะจะมาพบตัณฑอาจารย์ผิวที่มาออกวัดใหม่ในฐานะน้องหนุ่มเออหลวงพ่อก็อจะมาหลายครั้งแต่ก็ภาระอย่างว่าอยู่ใครอยู่ที่ไหนก็ยากยุ่งยากอยู่ที่นั่นกว่าจะมาได้ อย่างเมื่อเช้านในโภโหในพรรษาญาติโยมก็เต็มศาลงศาลาและก็วันนี้เป็นวันพระอีกต่างหากพวกญาติโยมมารักษาศีลเต็มวัดอีกแล้วก็วันพุ่งนี้เป็นวันพระก็อยู่ใครอยู่ที่ไหนก็อยากที่นั่นสรุปแล้วนะงอาจารย์ติ๋วอยู่ที่นี่อยู่ในป่าขนาดนี้ก็คงจะยากเหมือนกัน่ยากแบบอาจารย์ปิ๋วนะ หลวงพ่ออินก็ยากอยู่แบบหลวงพ่ออินเอ่อก่อนอื่นนะหลวงพ่อจะทําความเข้าใจกับคณะสัตยาติโยมและความเป็นมาของหลวงพ่อไปที่ไหนช่วงนี้นะหลวงพ่อจะว่าหาเสียงก็ใช่อยู่เหมืนกันเออจะว่าคล้ายๆกับว่าใครจะมีความคัดค้านอย่างไงแล้วใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรคำว่าไม่เห็นด้วยก็เพราะว่าอาจจะไม่รู้ความจริงอะไรไม่เห็นด้วย แต่ถ้าหากว่าผู้ที่รู้ความจริงแล้วก็เออไม่เห็นด้วยอันนั้นก็ไม่ว่ากันเพราะว่านานาจิตต่างนานาทัศนะจะให้มีความเห็นท้องต้องกันทั้งหมดก็คงจะไม่ใช่แต่ถ้าหากว่าหลวงพ่ออินพูดอย่างนี้ทำอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้พวกเราก็จะเห็นด้วยทุกอย่างกับพวกเราก็คงจะเลี้ยงหวนหลวงพ่ออินทั้งหมดด้วยกันเพราะมีความเห็นแบบเดียวกันอันนี้ก็คงจะไม่ใช่เพราะนั้นบางครั้ง ก็อาจจะมีความเห็นแปลกแตกต่างแต่ความเห็นแปลกแตกต่างนี้ก็เป็นผลดีอีกเหมือนกันนะเพราะว่านาน า, นาจิตตังานานาทัศนะเป็นของที่พวกเราจะได้คนหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งคนหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งแต่คนหนึ่งจุดเข้ามาระชมการหาหรือกันใครเห็นผิดใครเห็นถูกเนะี่ยจากนั้นก็ลงกันได้แต่ถ้าว่ามีทิฏฐิคือความเห็นทุกคนก็ต้องมีความเห็น แต่ว่ามานะคือความแข็งกระด้างความแข็งกระด้างถ้าใช้ในทางที่ถูกก็ดีนะถ้าใช้ไปนในทางที่ปิดเปลี่ยนมิจฉาทิฐิดได้เหมือนกันความเห็นก็เหมือนกันความเห็นถูกหรือความเห็นผิดอันนี้ก็มันเป็นได้ทั้งสองอย่างอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้วก็่าะสัททายญาติโยมทั้งหลายที่หลวงพ่อจะพูดให้ฟังคือเรื่องใหญ่ดีขององค์หลวงตา บางคนก็บอกว่าหลงตาไม่ให้สร้างเจดีที่วัดเป็นจริงจริงไหมเนี่ยอันนี้หลวงพ่อปิ๋วก็นั่งอยู่ตัวหน้าหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะอ่านให้ฟังแต่อาจจะไม่เป๊้ยทีเดียวนะแต่ในเขาที่หนังสือร่างขึ้นมาเนี่ยเขคุณหลวงพ่อให้พระร่างหนังสือขึ้นมาแต่อ้างเป็นเอาความจริงออกมามาพูดนะแล้วก็ในวันครั้งแรกก็ ที่แรกก็คือประชุมกันคือข่าวนั้นคือเราเช่าสถานีวิทยุใช่ไหมอาจารย์ผิวเช่าวิทยุแล้วก็เราจ่ายเงินป ต, อ, ตอมาแล้วก็ขอเช่าอีกก็คิดว่าปีหนึ่ง เ, เขาคิดปีละหล้านหรือห้าล้านหล้านนะเนี่ยที น, ะนที้เราก็มาประชุมกัน หาลืมกันดูที่หลังศาลาศาลากล้วยศนะาลาหลังแรกนะ่จะได้มาไปชมกันว่าเราจะเช่าแบบห้าปีไหมหรือเราจะเช่าเป็นปีๆแต่นี่เราก็มาถกเสียงกันพระทั้งหมดมีแต่พระผู้ใหญ่คือหลวงพ่อเนี่ยเพราะว่าสถานีวิทยุเสียงธรรมเนี่ยหลวงตาให้ท่านแต่งตั้งสิบองค์นะใช่ไหมจิ๋วที่แรกก็หลวงปู่วยองค์หนึ่งใช่ไหหลวงปู่ฟัก แล้วก็หลวงพ่อหลวงพ่อจิตใจท่านอาจารย์ผิวแล้วก็ท่านจีนท่านนบพดลท่านกิลวัตรนะรวมรวมสิบองค์รานะั่นะสิบเอ็องค์มั้งแต่ในหงปูหมู่ทุยลาออกหลวงปู่ฟ้าลาออกยังเหลือเก้าใช่ไหมพวกเราก็ไปหาไปชุมหาลือกันที่สารากล้วยพอไปชุมกันแล้วก็ไม่ลงไม่ลงรอยกัน คนหนึ่งห่าน่าจะเช่าเป็นปีๆพอเราเช่าดาวเทียมนี่ยนะดาวเกียมไทยคมสองปีละหกล้านนะยื่สิบห้านล้านห้าล้านหกล้านนะห้าล้านปีละหนะ้านะล 5, ้านฉะนี้ก็ห้าห้าไม่ใช่หกปีนะสามสิบล้านเนี่ยว่า เออห้าหกสามสิบใช่ไหมล่ะเออสามสิบล้านถ้าเช่าห้าปีห้าหกสามสิบสามสิบล้านไปนี้ก็น่าจะเช่าเป็นปีๆ ป, ประมูลองกหนึงว่ะน่าจะเช่าห้าปีเลยเพื่อเราจะไม่ได้ถ้าว่าเช่าเป็นปีๆบางทีปีหน้าอาจจะขึ้นเป็นเจ็ล้านแปดล้านก็ได้ แต่ถ้าเราเอาห้าปีคือหกปีเนี่ยเขาให้แต่หกปีเขากระจัดทีนี้ก็เลยประชุมกันไม่ตกลงกันก็เลยว่าเออเรื่องนี้มันเงินอยู่กับหลวงตาในี่ยว่าพวกเราจะมาตัดสินก่อนไม่ได้ปะ้ะก็ไปกราบหลวงตาก็เลยเข้าไปเข้าไป ก, ก่อนจะเข้าไปกระล่างหนังสือจดหมายฉบับหนึ่งให้หมูได้ฟังเออพวกเราเนี่ยเออ หลุดฉีดหลุดหาจนเยอะแยะหลงตามีทั้งไฟคาราวาสญากลมมีทั้งไฟพระสงฆ์ไม่มีใครกล้าขอที่จะสร้างพิ พ, พิธภัณฑ์หรือสร้างเจดีหลวงตาเลยนี่แต่เท่าแก่เท่าหมายเป็นคนขอเขาก็ขอไปได้เลยหลวงตาอนุญาตกันเจ้าเท่าแก่เท่หมายขออนุญาตสร้างเจดีหลวงตาเจดีมหามงคนบัวหลวงตาประทานเชื่อให้อีกตาหาก เจดีมาหามงคลบวกหลวงตาตั้งชื่อให้แต่พวกเราเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาทั้งไฟฟ้าทั้งไฟฆราวาสไม่มีใครจะขอลงตาเพราะใครก็กลัวหมดตามไม่จริงเนี่ยผมล่างขึ้นมาเนี่ยให้พระล่าง อ, าอ่านได้ไก็เลยลอ่านเออเอ้าใช่เห็นท้องฟองกันอ่านขึ้นมาเออเอาไปเข้าไปวันนี้ไปกราบเรียนหลวงตานะ่ แต่เนี้ก็เลยเข้าไ่าเนี่ยหลพ่อจะอ่านให้ฟังนะถึงว่าจดหมายฉบับหนึ่งว่ายังไงจดหมายฉบับที่สองนว่ายังไงนะให้พวกเราได้ฟังไม่ไม่ให้ไม่ให้พวกเราเชื่อหลวงพ่อเองเดียวน ะ, ะเป็นอิสระในแนวความเชื่ของพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันแต่ว่าความเป็นมาของเจดีย์หลวงตาเห็นด้วยม่เห็นด้วยอย่างไร อันนี้หลวงพ่อเพียงแต่ให้มาบอกกล่าวให้หมู่พวกเพื่อนชัทายาิโจมได้ฟังก่อนพวกเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาองหลวงตาด้วยกันทั้งหมดนะคนจะรับรู้รับทรา บ, บ, บ, บ, บร่วมกันฟังนะทีนีนะความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยนะสัมปโน ณวัดป่าบ้านตาตำบลบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2549คณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ลูกศิษย์หลวงตาประมาณ20รูปได้เข้ากล่าเปรียนองค์หลวงตาเพื่อขออนุญาตสร้างพระเจดีย์อนุสรณ์ขององค์หลวงตาเพื่อเป็นที่สักการบูชาของเหล่าสิบลูกหาลูกศิษย์ลูกหาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ทั้งในปัจจุบันทั้งปัจจุบันและชนรุ่นหลังสืบไปด้วยเหล่าพระสงฆ์ที่ประชุมกันในวันนั้นทราบดีว่าในบรรดาลูกศิษย์ลูกหาขององหลวงตาทั้งหลายนอกจากเสียสมหมายจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งได้กราบเรียนขออนุญาตองหลวงตาสร้างพระเจดีย์ไว้กับไหว้บูชา โดยให้ทุนโดยใช้ทุนระดับส่วนตัวในครั้งนั้นองค์หลวงตามีเมตตาตั้งชื่อพระเจดีให้กับเสียสมหมายว่าเจดีมหามงคลบัวก็ยังไม่มีใครเลยที่ได้กลาวเปลียนขออนุญาตองหลวงตาเพื่อสร้างพระเจดีแต่อย่างไรแต่หลังจากปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นและเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงถึงความเหมาะสมน า, นานาประการแล้ว แม้ว่าจะมีความเกรงกลัวต่อองหลวงตาอยู่เต็มหัวใจด้วยเกรงจะถูกว่ากล่าวตำหนิกข้อตามแต่ด้วยเจตนาแน่วแน่ด้วยความรักและเทิดทูนศรัทธาที่มีต่อองหลวงตาจึงมีมติได้ร่างเป็นบันทึกหนังสือร้อยเรียงอถาธิบายถึงเหตุผลและความมุ่งมั่นศรัทธาของคณะสงฆ์และเหล่าลูกศิษย์ เห็นชอบด้วยเนื้อหาข้อความจึงเข้ากลาบเรียนเสนอถวายองคหลวงตาและองหลวงตาได้มีเมตตาแสดงความคิดเห็นวันนั้นคืออาจารย์รนกพดลนะเป็นคนอ่านจดหมายฉบับนั้นนะหลวงตาตอบว่าอย่ายุ่งนะเรื่องเจดีเราไม่ไม่อนุญาตเราไม่ให้ทำเราทำคุณประโยชน์ให้โลกมากพอมากต่อมาก อย่ามายุ่งเรื่องของเราอย่าไปคิดคณะสีต่างกลับด้วยความคาดหวังต่อมาเมื่อวันที่30มตุลาคมพุทธศักราช2549หลังจากองค์หลวงตาฉันจังหันเสร็จแล้วก็ได้ปารบเล่าให้ญาติโยมที่มาวัดฟังช่วงหนึ่งความว่าอย่างที่บรรดาลูกศิดลูกหามาขอสร้างเจดีย์ของเราเราบอกว่าไม่เห็นด้วย ให้เอาคติธรรมความเคลื่อนไหวของเราที่เป็นศีลเป็นธรรมแสดงออกต่อโลกนี้เขียนเป็นประวัติศาสตร์ไปเลยจะดีกว่าทำเจดีหลวงตาบัวไม่เห็นได้อะไรถ้าเป็นคติถ้าเป็นค ต, ติเครื่องเตือนใจออกเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนไว้ก็จะเป็นที่ระรึกได้นานอีกทีเดียวถ้าจะทำให้ทำอย่างที่เราว่าถ้าไม่ทา ไม่ทำหมดเพราะเราไม่เคยสนใจอะไรเป็นอารมณ์เราทําเพื่อประโยชน์แก่โลกทําแล้วทานผ่านไม่เคยสนใจมายุ่งว่าได้ทําประโยชน์ให้โลกเท่านั้นเท่านั้นลงเชื่อว่าหลวงตาบัวอยากได้ชื่อได้เสียงไม่มีองค์หลวงตาเมตตาอนุญาตให้สร้างพิพิธภัณฑ์และอนุกรุณาชี้นําจุดบริเวณก่อสร้าง ท่านพระอาจารย์ฝิวได้โทรมากราบเรียนพระอาจารย์ที่วัดนาคำน้อยว่าได้เรื่องแล้วครับท่านพร้อมกราบเรียนรายงานและร า, ายละเอียดองหลวงตาปลาปรารบการสร้างพิพิธภัณฑ์และมีแนวโน้มเห็นด้วยหากลูกศิษย์ลูกหาจะสร้างพิพิธภัณฑ์แทนพระเจดีย์เมื่อทราบข่าวดังนั้นหลวงพ่ออินถวายจเจ้าอาวาสรัตนคำน้อยจึงนำคณะลูกศิษย์ หลวงตาพร้อมทําหนังสือเข้ากราบเรียนถาวายองค์หลวงตาอีกเป็นครั้งที่สองเป็นครั้งเมื่อวันที่22พฤศจิกายนสองพรยสี่สิร 49, เรื่องแนวความคิดและรายละเอียดในการสร้างพิพิธภัณฑ์ได้กราบเรียนขออนุญาตในการสร้างพิพิธภัณฑ์พร้อมกับขอเมตตาองค์หลวงตาชี้กําหนดสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งองค์หลวงตาก็ได้เมตตาตอบเออเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะไปชี้บอกจุดให้คณะสงฆ์ต่างยินดีเป็นอย่างยิ่งจึงพากันเดินทางกลับด้วยความสบายใจและกลับพื้มเป็นอย่างยิ่งพร้อมกับคิดวางแผนการดําเนินการสร้างพิพิธภัณฑ์กันต่อไปต่อมาประมาณสองสั ป, ปดาห์องค์หลวงตาพร้อมด้วยพระอาจารย์จิ๋วและท่านผู้กากับได้ออกมาตรวจตราบริเวณ วัดด้านนอกองคหลวงตาก้ไดเมตตาชี้กําหนดจุดให้สร้างพิพิธภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับประธานบอกว่าเอาตรงนี้แหละนะที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ที่กว้างขวางเหมาะสมดียังความปิติให้กับพระอาจารย์ผิวเป็นอย่างยิ่งด้วยเกรงว่าจะมีความพลาดเลื่อนหลงลืม ท่านอาจารย์ปิ๋วจึงได้นําเสาหลักปูนซีเมนต์มาฝังไว้เป็นเครื่องหมายแต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ในบริเวณลานจอดรถของสาราด้านนอกลูกศิษย์ลูกหาขับรถมาทําบุญกันเป็นประจำจึงทําให้มีการขับรถชนเสาหักชํารุดเสียหายบ่อยๆท่านพระอาจารย์ปิ๋วจึงแก้ปัญหาโดยการใช้เหล็กเส้นประมาณเมตรเศษๆมาตอกมิดลงไปในแผ่นดิน จะได้ไม่เป็นปัญหากับรถประกอบกับภายหลังหากมีการจดจำจดจาจุดคลาดเคลื่อนก็จะได้ใช้วิธีเอารถเกรดไถหาเหล็กดังกล่าวได้วันรุ่งขึ้นต่อมาองค์หลังจากองหลวงตาเสร็จสิ้นจากการเดินจงกรมและเป็นช่วงที่ท่านพระอาจารย์จิวกำลังได้ไปรับองหลวงตามาฉันเช้า ช่วงนี้องหลวงตางดออกบินธบาทแล้ววงเล็บนะเนื่องจากธาตุขันไม่อำนวยองค์หลวงตาได้กำชับท่าอาจารย์ปิวว่าการสร้างพิพิธภัณฑ์ที่เราพูดในเมื่อวานและได้กำได้กหนดจุดบริเวณกว่อสร้างไว้แล้วนั้นอย่าพึ่งทำดำเนินการใดๆจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเรา ท่านอาจารย์ปิ๋วได้รายงานหลวงพ่ออินทราบและคณะลูกศิษย์ขององค์หลวงตาทราบกันทั่วหน้าในเวลาต่อมาด้วยเหตุนี้จึงไม่มีลูกศิษย์ท่านใดกล้าดําเนินการใดๆในการสร้างพิพิธภัณฑ์ต่อต่อมาหลังจากองค์หลวงตาละสังขารหลวงพ่ออินถวายวัตถนาคำน้อย ซึ่งเป็นหนึ่งอยู่ดูในคณะหนึ่งของพระสงฆ์ที่องค์หลวงตามอบหมายระบุไว้ในพิ่นายกับกำกับดูแลกิจกรรมงานพระราชทานเพลิงศรีระสังขารขององค์หลวงตาก็ได้ปรารถและปรึกษาในหมู่คณะพร้อมลูกศิษย์ลูกหาองค์หลวงตารวมทางพระอาจารย์จิ๋วและท่านผู้กํากับพร้อมทั้งสื่อมวลชนต่างๆเรื่องบริเวณพื้นที่จะสร้าง ที่ประชุมเพิงองค์หลวงตาหลวงพ่ออินได้สอบถามพระอาจารย์ผิวและท่านผู้กากับว่าพื้นที่บริเวณที่องค์หลวงตาได้เมตตากําหนดให้เป็นจุดสร้างพิพิธภัณฑ์ท่านพระอาจารย์ผิวและท่านผู้กากับก็ได้ยืนกันจุดชี้จุ ด, ดจึงเสนอกับหมู่คณะให้นําเมนบริเวณดังกล่าวให้ทําเมนบริเวณดังกล่าวเพื่อเป็นที่ประชุมเพลิง สตรีละอ ง, องหลวงตาซึ่งก็ได้รับความสนับสนุนจากหมู่คณะลูกศิษย์ทั้งมวลและจุดที่องค์หลวงตาเมตตาชี้กําหนดจุดให้สร้างพิพิธภัณฑ์ก็คือบริเวณที่สร้างกิจตาทานในงานพระราชทานเพลิงศตรีละขององค์หลวงตานั้นเองและจากคาดเคลื่อนจากจุดศูนย์กลางบ้างประมาณ5เมตรแต่ก็ยังอยู่ในบริเวณพื้นที่ วงหลวงตาได้เมตตากำหนดจุดสร้างพิพิธภัณฑ์ไว้แล้วหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจพระราชทานเพิงสรีระองหลวงตาหลวงพ่ออินพร้อมกับหมู่คณะและลูกศิษย์ลูกหาด้านคร่าวว่าได้ปารภปรึกษาหารือเรื่องการสร้างพิพิธภัณฑ์พร้อมกับพิจารณาเรื่องการสร้างองค์พระเจดีย์หรือมหาเจดีย์ถวายองค์หลวงตา ซึ่งองค์หลวงตาถือได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในหลักเกณฑ์ของถูปรรหาบุคคลคือบุคคลผู้ควรทาผู้ควรนำบันอธิธาตพระาธาตุบรรจุไว้บูชาที่สมควรสร้างพระเจดีย์ถวายสี่จำพวกคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจ้าพระหันตสาวกพระเจ้าจักรพัท พี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศและต่างประเทศพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าต่างเคารพนับถือศรัทธาในปฏิปทาและจงใจเชื่อกันว่าวงหลวงตาคือพระอรหันต์ที่ประกอบด้วยเมตตาธรรมอย่างล้นเหลือประกาศย้ำความเชื่อมั่นว่าท่านคือพร ะ, พระแท้เป็นพระอรหันต์อย่างชื่นอย่างชื่นความสงสัย ยาชิ้นควนเสรก็คือเมื่อท่านละสังขารธาตุของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุอย่างทุกอย่างที่ทุกทุกท่านได้เห็นเป็นประจักษ์พยานแล้วคณะลูกศิษย์ลูกหาทั้งคณะสงฆ์และคณะคารวะและคารวสเห็นพร้องต้องกันว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะสร้างทั้งองค์พระเจดีย์และพิพิธภัณฑ์ซึ่งภูชนียสถานทั้งสองแห่ง ที่สร้างคืนนี้แม้จะมีหน้าที่ต่างกันแต่ถึงอย่างไรเสียก็ยังทําหน้าที่เพื่อคุณสนับสนุนกันอยู่คือพระเจดีทําหน้าที่แทนองค์หลวงตาเพื่อไว้เป็นเก็บอัติธาตุขององค์หลวงตาเป็นการเทริดพระเกียรติเป็นที่กราบไหว้บูชาและลึกถึงคุณงามความดีและเมตตาทำคําสอนขององค์หลวงตา ที่มีต่อเราลูกศิษย์ลูกหาพุทธศาสนิกชนบ่วงชนชาวไทยทั้งหลายพิพิธภัณฑ์ไว้เก็บรวบรวมอัตบริขานของไซสอยขององค์หลวงตาแสดงชีวประวัติความเป็นมาขององหลวงตาในแต่ละช่วงของชีวิตเช่นช่วงสมัยเป็นเด็กวัยหนุ่มก่อนออกบวชทำไมหลวงตาจึงออกบวชออกบวชแล้วได้ใช้ชีวิตอย่างไรมีความเป็นมาเกี่ยวเนื่อง สัมพันธ์กับองค์หลวงปู่มั่นอย่างไรส่วนนี้คือได้ถือได้ว่าทําหน้าที่แทนพระธรรมเทศนาคําสอนขององค์หลวงตาซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าองค์ท่านเป็นผู้ใช้ชีวิตยอยู่อย่างสมถะพอเพียงไม่ฟุ้งเฟอ้อเหอะเหิมเป็นตัวเป็นตัวอย่างอันดีงามในการใช้ชีวิตของปุตุชนยุคปัจจุบันและอนาคต ที่ยังห่อหุ้มและหล่อเลี้ยงชีวิตของตัวเองไว้ด้วยกิเลสทั้งหลายเพื่อให้ดูเป็นแนวสร้างสติปัฏสกติเตือนใจพร้อมจัดเก็บอัดพร้อมจัดเก็บธรรมะที่องคหลวงตาได้เมตตาเทศนาอบรมสั่งสอนไว้ด้วยสื่อที่ทันสมัยไว้ให้อนุชนได้ศึกษาแนวทางหลุกพ้นเศษเช่นเดียวกับองค์หลวงตาซึ่งได้บุกเบิก ชี้ช่องเดินเปิดทางไว้ให้เรียบร้อยแล้วขึ้นอยู่เพียงว่าเหล่าอนุชนทั้งหลายจะพร้อมใจออกเดินทางในเส้นทางที่ท่านได้เพียรแพ้วถางไว้ให้เป็นอย่างดีหรือไม่และที่นี่คือที่มาของตั้งโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์เจดีพระธรรมวิจุทธิมงคลวงเล็บหลวงตามหาบัวยนสัมปันโน และเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นพ้นจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุราภรณ์วรยรักอภราชชุกมาลีซึ่งได้ถวายพระองค์เป็นลูกขององค์หลวงตาวงเล็บหลวงตามิได้ทรงรับลูกไม่รับทูนกระหม่อมฟ้าหญิงตามประสงค์โดยทันทีองค์หลวงตาทูลให้ทูนกระหม่อมฟ้าหญิง กราบทูลขอพระเจ้าแผ่ขอพระราชอนุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนพระองค์ท่านทรงโกรธก้าวอนุญาตองค์หลวงตาจึงรับทูลกระหม่อมฟ้าหญิงเป็นลูกตามพระประสงค์และทรงกล่าวนามถึงองค์หลวงตาว่าท่านพ่อเป็นต้นมาองค์หลวงตาก็กล่าวนามถึงทูลกระหม่อมฟ้าหญิงว่าทูลกระหม่อมลูก เช่นกันอ้างอิงจากพระธรรมเทศนาองค์หลวงาตาเมื่อวันที่ส่งรับเป็นองค์ประธานนําประสบลูกศิษย์ลูกหาทั้งสงฆ์และคารวะพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าสร้างพิพิธภัณฑ์ถวายองค์หลวงตาพระผู้ซึ่งปฏิบัติปฏิบัติชอบเป็นพระสุปติปโนพระผู้ซึ่งโลภวิถูเป็นผู้ให้ธรรมะ ประกอบไปด้วยเมตตาธรรมครอบคุมทั้งสมแรนโลกธาตุผู้เมตตาสร้างสาธารณประโยชน์ให้แผ่นดินก่อบกู้ชาติทั้งยิ่งครั้งยิ่งใหญ่ชาวเทศธนาช่วยชาติเป็นเนื้อนาบุญหาทองคําเข้าคลังหลวง13ตันกว่าดอลล่าสิบกว่าล้านดอลล่าสิบกว่าล้านเหรียญสหรัฐสมควรอย่างยิ่งที่ลุกศิษย์ลูกหาประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันแสดงมุทิตาจิต ต, ต่อองค์หลวงตาด้วยการร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีถาวายในองค์หลวงตาเป็นอนุสรณ์สถานเป็นที่เก็บรวบรวมประวัติและธรรมะคําสอนขององค์หลวงตาไว้ให้ออนุชนรุ่นหลังศึกษากราบไหว้บูชาเป็นเครื่องเตือนสติให้ระลึกถึงและเป็นตัวอย่างของผู้เสียสละ ูสร้างคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามอันจะยังความถุกให้กับผู้ปฏิบตัติให้สังคมให้ประเทศชาติให้โลกร่มเย็นเป็นถุกสื่อไปพร้อมกันนี้จึงขอเชิญทุกท่านและศิษยานุสิธิ์ขององค์หลวงตาทั้งหลายร่วมแรงร่วมใจเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างประวัติศาสตร์ฝ า, ากไว้บนแผ่นดินโดยร่วม สมทบสร้างพระเจดียรและพิพิธภัณฑ์เป็นอนุสรณ์สถานดังกล่าวเพื่อเทิดทูนบูชาพระคุณองค์หลวงตาตามกําลังศรัทธาซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างกุศลซึ่งยากยิ่งที่จะได้มีโอกาสเช่นนี้เป็นการสร้างกุศลสั่งสมบุญอันยิ่งใหญ่ให้ติดตามพบชาติติดตามพบตามชาติต่อไปภายภาคหน้าดังพุทธภาษิต ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสออพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าปุญญาณิปละโล ก, กัสเมิงปติฐาโหนติปานินันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าคณะสิทธิอนุสิ์ขององค์หลวงตานี่แหละเขาเขียนยาวสักหน่อยแต่ก็หลวง พ่อปิว๋วท่านอาจารย์ปิ๋วนั่งอยู่ที่นี่ตรงพ่อว่าลุงพ่อฟังดูแล้วก็กัะคาดเคลื่อนกระคาดเคลื่อนไม่มากใช่ไหมอาจารย์ปิว๋วฮะนะเอเอกคาดเคลื่อนบ้างนิดหน่อยเนาะเออเนี่ยแหละแต่ลุงพ่อว่าคิดว่าไม่มากแต่ตามไม่จริงเนื้อหาสาระใช่ไหมที่ที่ลุงตาพาออกไปให้ที่จุดสถานที่ใช่ไหมเออเนะย ไม่ใช่ตลงตามไม่อนุญาตนะลงตาอนุญาตอ่าเจ้าติ๋วกับผู้กำกับไป็ี้จุดแต่หลวงพ่อก็มีแต่ฟังฟังอาจหลวงพ่ออาจไป ฟ, ฟังอาจจะคาดเคลื่อนอะไรหลวงพ่อพูดให้พระฟังอีกพระเขาก็เขียนให้นีน่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้มาถึงไหนแล้วเป็นพวกคณะรทาญาติโยมทั้งหลายก็อยากจะรู้ว่าเจดีของลงตาไปถึงไหนแล้วดำเนินไปถึงไหนแล้วที่หลวงพ่ออา่านกลวพอเข้าใจแล้วแหละแต่เดี๋ยวนี้ไปถึงไหน คือเมื่อก่อนหน้านี้เดือนพฤษภานะคือพวกเราก็เมื่อเราเทำบุญเมื่อทำบุญครบรอบวันมราณาภาพองค์หลวงตาคณะสงฆ์ทั้งหลายก็ได้ไประชุมกันที่ใต้ถุนกุฏิสงตาบอกว่าเราจะทำยังไงเรื่ององค์หลวงตาก็คิดว่าเราควรจะมอบให้คว้าหญิงทูนกระหม่อม เพราะท่านเป็นลูกของหลวงต า, าควรจะมอบให้ท่านเป็นประธานเป็นไกด์จะคู่แท้แต่ท่านเอาเอาเห็นด้วยนะเห็นด้วยกันเอาก็เลยพูดเรื่อมาก็มอบให้ทูลกระบอกหลวงพอ่อองค์นี้ว่าชื่องเจริญของหลวงตาเพราะมอบให้ทูลกระบอกเป็นประธานฝ่ายคารวะส่วนหาทูนนั้นก็ ช, ช่วยกันหาท่านก็เออท่านก็เลยมอบให้ลูกสาวของท่าน ลูกสาวของท่านพระ อ, องค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เป็นลูกสาวคนโตที่ท่านจบมาจากมหาวิทยาลายัยศิลปากรท่านก็ลูกสาวท่านก็เลยไปชักชวนหมู่ไปชกมูลหมูม่คุบาอาจารย์ที่มหาวิทยาลายัยศิลปากรก็เลยออกแบบเขียนเขียนออกแบบแต่ปกรจุบันนีนเ้เราก็บอกว่าเรื่องพระเจดีเนี่ยควรจะมอบถวายเนี่ยคือ พ ร, พ, รพระแม่ของท่านก็คือพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเป็นผู้เป็นผู้รับจะเป็นผู้จะรับสร้างพอต่อมาอพระบรมราชินีก็บอกว่าเอาเอนะนักแม่จะอยู่บ้างหลังให้เล็กเป็นเป็นผู้สร้างพอเล็กเป็นลูกสาวขาององค์หลวงตา อ, อันนี้ก็คือหลวงพ่อได้ยินมาลักษณะอย่างนี้จากนั้น ฟ้าหญิงท่านก็รับรับมอบให้ลูกสาวของท่านเป็นผู้เขียนเป็นผู้ออกแบบกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรแต่ในขั้นการเขียนพอเขียนออกมาแล้วก็จะใช้อะไรจะใช้หินอะไรพอเดือนพฤษภาที่ผ่านมาท่านกอลูกสาวของท่านพระองค์เจ้าสิทธิพาจุทาภรณ์กับคณะอาจารย์ขึ้นมาที่วัดป่าบ้านตัดคือเอาโมเดลเจดีขึ้นมาเนี่ย โมเดลที่อยู่ณนะที่สาราบ้านตาเข้ามาท่านก่อนอยากจะพบหลวงพ่อก่อนกับหลวงพ่อถิตใจและวันุ์วันรุ่งขึ้นจะประชุมหารือกับครูบาอาจารย์พระสมหมู่ใหญ่แต่ว่าก่อนที่จะพบนั้นท่านอยากจะพบหลวงพ่อนะีกับหลวงพ่อจิตใจก่อนหลวงพ่อก็คงมีเรื่องอะไรหนะ้าก็เลยหลวงพ่อก็เข้าไปก็ไปก็ไปพบท่านที่ตําหนักปัตถาบ้านตากหลวงพ่อถิตใจท่านก็เลยถามว่าคณะอาจารย์ก็ถามว่า เจดีย์องหลวงตานี่จะใช้วัตถุอะไรจะใช้หินเมืองไทยหรือจะใช้หินนอกหลวงพ่อก็ถามพอาะหลวงพ่อจุดใจท่านก็ไม่ถามอยู่แล้วใช่ไหมท่านก็นั่งอยู่ข้างๆหลวงพ่อก็เป็นคู่ถามถามคณะอาจารย์มหาปาาิยรัยศิีนภากรกับพระ อ, องค์เจ้าจิริพานว่าหินหินนอกกับหินในเนี่ยดีต่างกันอย่างไรมีคุณภาพต่างกันอย่างไร อันบอกว่าถ้าหินเนาะถ้าหินในถ้าหินไทยเนี่ยถ้าเราใช้ไปประมาณสัก4 5, ี่ห้าหกปีมันจะกล้านแหมมันจะด้านและต่อไปเนี่ยเวลาฝนตกต่อไปภายภาคน้าํามันจะเป็นทางน้ํามันจะเป็นแสนน้ํามันจะเป็นทางเพราะหินมันอ่อนมันตกน้ําไหลซาะอลงมาณมันจะเป็นเป็นเป็นทางน้ําในเอ็นเจดีแต่ถ้าว่าเป็นหินของ อิตาลีลนหินนอกเนี่ยอย่างที่นั่งอ น, นันตกอันนั้นเดี๋ยวนี้ร้อยกว่าปีแล้วก็ยังมันอยู่ไม่ต้องพูดถึงข้างในข้างนา น, นี่มันแต่ข้างนอกก็ยังมันอยู่ยังไม่มีอะไรที่จะเออเพราะาเป็นหินต่างกันแต่ราคาก็ต่างกันนะอราคาหินอิตาลีนแพงกว่าหินไทยสามเท่าแต่หินไทยเนี่ยเออนี่แหละถูกกว่า เพราะนั้นจึงมาถามท่านอาจารย์ทั้งสองดยที่ว่าจะเอาหินอะไรจะได้ตัดสินใจผูกหลวงพ่อก็บอกว่าสําหรับอัตมาภาพเองอันไหนดีที่สุดสําหรับองค์ลงตาเอาอันนั้นเออเอาหินดีที่สุดของดีที่สุดถอาไว้องค์หลวงตา หลวงพ่อหลวงพ่อจิตใจมีความเห็นยังไงแต่บอกผมว่าเอาหินดีที่สุดนะหลวงพ่อจิตใจนะหลวงพ่อจิตใจจะเอาหินอะไรหินในหรือหินนอกท่านจิตใจก็บอกว่าเอาหินดีที่สุดเหมือนกันแล้วก็เป็นนันว่าเออเอาถ้าเอาหินดีที่สุดก็คือหินอิตาเล่จากนั้นก็ได้ออออกไปแสดงโมเดลที่ศาลาเนี่ยแหละอันนั้นคือจุดหนึ่งอแล้วก็ต่อมาอีกทีนี่หลวงพ่อพยายามติดตามถามอยู่ว่า คณะอาจารย์เขียนแบบไปถึงไหนแล้วท่านก็บอกเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้พร้อมที่จะสร้างได้เจ็ดเปรเรื่องแบบแปลงไม่มีปัญหาเพราะเราไปชมกันไม่รู้กี่ครั้ง ก, กี่เที่ยวทั้งวิศวกรด้วยทั้งสถาปนิกด้วยที่มหาวิทยาลัยศิลปกรที่เป็นคณะอาจารย์คือพยายามทำประชุมกันหลายครั้งทีงนี้เราก็ถามว่าต่อขั้นตอนต่อไปทำยังไง ท่านก็บอกว่าเขาก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทุนกระหม่อมคว้าหญิงถแถลงข่าวมาถแถลงข่าวที่วัดป่าบ้านตาเพื่อจะได้เปิดตัวบอกว่าเจดี JD ของหลงตาสร้างแน่ลักษณะอย่างนั้นเพื่ อ, อ ส, สื่อต่างๆทั้งหนังสิบพิมพ์ทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ทั้งสือต่างๆก็จะได้มารวมกันถแถลงข่าวแล้วก็จะได้ออกสื่อจากนั้นก็จะได้ประกาศให้ ที่น้องประชาชนที่รักเคารพในองค์หลวงตาว่าเจดีย์ของหลวงตาจะสร้างแน่จากนั้นก็จะได้รวบรวมจะตุปจัจเพื่อสร้างเจดีย์องค์หลวงตาในเมื่อประกาศเปิดตัวแล้วก็ต่อไปก็จะหาผู้รับเหมาการหาผู้รับเหมาในก็จะหาผู้รับเหมาที่เป็นบริษัทที่ไม่มีชื่อไม่เอาบริษัทจำกัดหรือมหาชน จะไม่เอาที่บริษัทที่ไม่มีชื่อไม่เอารวามเจ็บเป็นการยุ่งยาแล้วก็จะเอาบริษัทที่มีชื่ออันนี้ก็คือทางมหาวิทยายลัยศิลปรกรอาจารย์ทั้งหลายเขาเสนออันนี้เมื่อวันที่สิบที่ผ่านมาที่มาทอดมาทอดผ้าป่าที่วัดป่าบันดาลทุนกระหมอมขึ้นไปเป็นประธานเพื่อหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์สาเร็จประสังคราช หลวงพ่อก็เข้าไปเมื่อเข้าไปแล้วเมื่อเสร็จภารกิจในการถาวายผ้าป่าทูลกม็มองะวายหญิงท่านว่าอยากจะพบหลวงพ่อสุดใจกับหลวงพ่ออินก็ได้ไปพบอยู่ที่กุฏิตำหนักของควายหญิงทั้งสององค์จากทั้นข้า็ถามว่าใจดีของหลวงตานะไปถึงไหนแล้วอาตมาก็ได้เรียนท่านว่า เจดีย์ของหลวงตาทาง อ, อาจารย์มหาวิทยาลัยบอกว่าพร้อมที่จะปอสร้างได้แปลนไม่มีปัญหาเสร็จทุกอย่างแล้วและขั้นตอนต่อไปทำยังไงก็ได้กราบถูนท่านว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทุนกระหม่อมว้าหญิงแถลงข่าววันไหนที่พระองค์สะดวกท่านก็ถ้าอย่างนั้นก็ เอาต้นเดือนกันยาก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันลงกลับลงกรุงเทพ เ, เราไปดูซะก่อนว่าว่างช่วงไหนแล้วจะจะเรียนให้ทราบให้ท่านอบอกมาทำ เ, เมื่อถแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วก็คงจะหารับบริษัทจากนั้นก็คงจะวางชิลาร์ตต่อไปท่านก็กลับตรงไป พอกลับลงไปเมื่อไม่นานมานี้ท่านก็ได้ให้คนทั้งหลายโทรขึ้นมาบอกว่าเดือนกันยาไม่มีเวลาว่างเลยภารกิจของท่านติดเพื่ไปหมดขอเป็นต้นเดือนตุลาหรือว่าปลายเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกาได้ไหมอาตมาหลวงพ่อก็เลยบอกว่าขอเป็นต้นเดือนตุลาเพื่อจะให้เร็ว ในเมื่อได้วันแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วก็จะได้หาผู้รับเหมาในเมื่อได้ผู้รับเหมาเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นท่าน่าจะทันได้ก็อยากจะวางเชลและเลิกวันที่หลวงตาลกสังขารคือวันที่สามสิบมกราถ้าไม่ทันวันที่สามสิบมกราก็จะเป็นวันที่สี่ที่ห้าที่สี่ที่ห้ามีนา หลวงพ่อก็ตอบอยังไงอันนี้ก็เลยคอยอยู่คอยคอยที่ท่านจะขึ้นมาถแถลงข่าวเพราะนั้นเจดีย์ของหลวงตารสร้างแน่นะ่นนนะคณะสภาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะขอทําการให้เตรียมเงินเอาไว้กันเอให้เตรียมเงินเอาไว้สร้างแน่ๆ เ, เ, เ, เพื่อเพื่อเทิดทูนบูชาพระคุณขององค์หลวงตาหลวงตามี่คุณอุปการกับพวกลูก คณะสัตย า, าญาติโยมพระสงฆ์มากขนาดไหนไม่ใช่ว่าพวกเราคิดดูสิถ้าหลวงตาบอกว่าเอา้าถ้าเราจากไปแล้วตายไปแล้วให้สร้างเดียรให้เรานะมันดูดูแล้วมันคิดยังไงอยู่อันนี้หลวงตาห้ามมาวะนะันไหนอย่าทำนะอันนี้เป็นคุณงามความดีและเป็นน้ําใจของหลวงตาไม่ให้ยุ่งกับท่านเหมือนกับพระพุทธเจา้าเห็นไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างพระพุทธเจา้าก่อนที่จะผริิพภาน พระ อ, อนนท์ก็เข้าไปปราบทูลถามพระพองค์กําลังคืนวันนั้นนะ่ะคืนที่จะปรินิพพานพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อพระพุทธองค์ละสังขารไปแล้วจะให้พวกข้าพระองค์ปฏิบัติอย่างไรต่อสรีละของพระองค์พระพุทธเจ้าข่าพระพทองค์บอกว่าอย่าเลยอานนท์เรื่องศรีละของเราเป็นหน้าที่ของมันละกษัตริย์มันละกษัตริย์เป็นผู้จัดการพวกท่านทั้งหลายมีหน้าที่ให้เผากิเลสภายในใจให้เหื่อแห้งนั่นแหละคือหน้าที่ของพวกท่าน แต่บัญญัตสันนะของเราเป็นหน้าที่ของมรรัตริย์พวกท่านไม่ต้องอยุ่งนะอันนี้คือพ้อพูดในเจ้าท่านสัง่งแต่ถ้าว่าพระอ น, น, นุนไม่มากกว่านั้นเฮ้ยข้อ พ, พูดในเจ้าไม่ให้ทําอะไรหรอกเออพ้อพูดในเจ้าไม่ให้ยุ่งเราให้มีแต่ภาวนาอยู่ไปอย่างนั้นเหรอนี่พระอนลนไม่หยุดเพียงแค่นั้นพระอ น, นุนว่ากราบคุณว่าจริงอยู่พระเจ้าค่ะที่เอมรรัตริย์ะจะเป็นผู้จัดจา ก, การแต่ว่า ถ้าหากว่ามันละก็สัตย์ถามละ่ะพระพุทธองค์สั่งเสียว่าอย่างไรแล้วจะให้พวกผมปฏิบัติอย่างไรต่อพระสิริระของพระพุทธเจ้าและจะให้ข้าพระองค์ตอบเขาอย่างไรพระเจ้าค่าพระพุทธองค์บอกว่าถ้าหากว่าเขาถามพวกท่านให้พวกท่านตอบได้ว่าให้ปฏิบัติจริระของเราหนี่งเหมือนกับพระเจ้าจากกักรพรรดิให้ปฏิบัติเหมือนกับ พื้นรีระของพระเจ้าจักรพรรดิแต่นี้พระ อ, อนุนจะรู้ได้อย่างไรว like so ่าสรีระปฏิบัติต่อพระเจ้าสรีระของพระเจ้าจักรพรรดินั้นทําอย่างไรเพราะว่าพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่มีในยุคนี้สมัยนี้พระนลกระถามว่าที่ปฏิบัติต่อสรีระของพระเจ้าจักรพรรดินั้นทําอย่างไรพระเจ้าค่าเออเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิสวรรคตก็ เขาที่ผู้เกี่ยวข้องก็ทําสะอาดสรีระของพระเจ้าจากักรพรรดิเมื่อทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ํามันที่หุงอย่างละเอียดหุนจงร้อยครั้งคือคือหูแล้วหูอีกเอี่ยจร้อยครั้งจากนั้นก็เอาผ้าบางพันพันสรีระของพระเจ้าจากักรพรรดิ แล้วก็เอาสำลีชุบด้วยน้ำหอมที่น้ำน้ำมันพันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใช้ผ้าขาวพันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใช้สำลีพันอีกรอบหนึ่งใช้ผ้าขาวพันอีกรอบหนึ่งทําอย่างนี้ถึง500ครั้ง500ชั้นจากนั้นนําลงร่างเหล็กแล้วก็ปิดครอบด้วยฝาครอบแล้วก็ยกขึ้นบนเชิงตะกอน ที่มีไม้หอมนานาชนิดจากนั้นก็ถวายพระเพลิงสมเด็จตกต่อพระเจ้าสลีละของพระเจ้าจักรพัทเนี่ยอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านให้คําแนะนํากับพระอานนอกจากนั้นพระอาน์ก็ทำใจไม่ได้พอได้ยินอย่างนั้นโอ้โหพระพุทธเจ้าทิ้งขันแน่ๆจากนั้นพระอาน์ก็ออกเดินออกจากตรงที่กราบทูลถามพระพุทธเจ้า ไปเนียวไอประตูคล้ายๆกับวันไอที่ประตูทางขึ้นน่ะนะทุกวันนี้ก็คงจะไปเออไปเกาะไปเกาะหัวพญานาคจะมั้ยพระอนน์ก็ร้องให้เลยเนียเนี่ยันร่างกายสัตว์เื่อมไปทั้งองค์เนี่ยพจีวรสั่นเอีร้องให้พระพุทธองค์เห็นพระอนนหายไปไอพระพุทธองค์บอกว่าอานน์หายไปไหน พระอนุนหายไปไหนพระสงฆ์ก็บอกไปยืนร้องไห้อยู่ที่หน้าที่หน้าสันทารคารพระเจ้าข่าพระองค์บอกว่าเรียกอนุนมาจากนั้นพระอนุนก็เข้ามาบอกว่าอนุนเธอไปไหนโอ้ข้าพระองค์รับไม่ได้ข้าพระองค์เสียใจอย่างมากเพราะว่าข้าพระองค์ได้ติดตามพระพุทธเจ้าเหมือนกับเงาตามองเป็นเวลานมนานแต่บัดนี้ พระ อ, องค์ก็จะได้จากไปเสียแล้วข้าพระ อ, องค์ก็ยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นแต่เพียงพระสุดาบันแล้วเมื่อพระ อ, องค์ปรินิพานไปแล้วใครจะเป็นผู้แนะนําสั่งสอนข้าพระ อ, องค์เพราะฉะนั้นข้าพระ อ, องค์มาวิตกคิดวิตกในจุดนี้ข้าพระ อ, องค์ทําใจไม่ได้เอมใครท่าว่ามีความเสียใจอย่างมากว่าเจ้าค่ดเพราะพระพุทธ อ, องค์บอกว่าอย่าเลยอา น, นุนในกลางก่อนก่อนพวกลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็ ไปเป็นพุทธุปถาเขา พ, พุทธเจ้าท่านก็มาดูปฏิบัติอย่างอานนท์นี่แหละแต่บัดนี้อานนท์ก็ได้ปฏิบัติเกาตถาคตสมบูรณ์หมดทุกอย่างแต่ว่าเอาเถอะจากนี้ไปสามเดือนนะตั้งแต่บัดนี้ไปสมเดือนอานนท์จะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เขาพูดเขาพูดให้เจ้าพยากรณ์เลยใช่ไหพระอานนท์ก็ชื่นใจขึ้นมาโอ้เราจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์จากนี้ไปสามเดือนนะ นี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนบรรดาสิทธิคือพระอานนท์วันนั้นสัลีละขององค์หลวงตาของพวกเราเนี่ลงพ่อว่าจะให้ท่านบอกว่าสร้างนั้นทอย่างนี้คงจะไม่องค์จะไม่ละ เ, เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะช่วยกันช่วยกันคิดว่าจะทำยางไง จึงจะเหมาะสมถูกต้องที่หลวงพ่อพูดให้ฟังวันนี้นะให้พูดให้ฟังวันนี้ถ้อ่านหนังสือให้ฟังวันนี้ก็คือความเป็นมาของพระเจดีย์ควรจะสร้างจะทําอย่างไรพอหลวงพ่อว่าก่อนที่จะทําพวกเราก็ควรจะมีการบ้านไว้ก่อนเพราะในินได้หลายคนไว้เท่าใครเป็นยังไงมีความเห็นว่ายังไง่แต่หลวงพ่อถึงหลวงปู่ลีท่านจะสร้างเจดีที่ผาแดง พวกเราทั้งหลายก็ช่วยกันทำนะช่วยกันทําแต่ว่าฟัดปลาบัานตาบ้านพ่อของเราไม่มีอะไรเลยมันจะถูกไหมพวกเรานับดับตาคิดดูสิๆๆว่าฟัดปลาบ้านตาไม่มีอะไรเลยเมันถูกไหมหลวงพ่อว่าไม่น่าจะถูกเพราะฉะนั้นควรจะทําอะไรขึ้นมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่า ก่อนที่ท่านจะรู้ก่อนที่จะไปที่อื่นก่อนที่จะไปวัดอื่นที่อื่นอพวกเราก็ต้องไปกราบอง์หลวงตาก่อนจะจ้วงตาถือเสมือนเหมือนพ่อหลวงตานะั้ถือเสมือนเหมือนพ่อของพวกเราแต่ครูบาอาจารย์อย่างล้มปูจิ้งทองเรื่องล้งปูล่าล้มปูบุญเม่ล้มปูเลถือเสมือนเป็นพี่ชายใหญ่ เออแต่ลงตาเหมือนพ่อพ่อกับพี่ชายใหญ่เราก็ต้องให้ความสําคัญพ่อพ่อมากกว่าไม่ใช่เหรออตรงพ่อว่างั้นนะแต่ว่าให้ความสําคัญไม่พี่ชายให้ความให้ความสําคัญแต่ว่าต้องให้ความสําคัญบ้านพ่อมากกว่าบ้านพี่ชายแต่ทิ้งยังไงพวกเราก็ต้องช่วยกันนะนะอจะจาเร็จตรงพ่อมั่นใจว่าถ้าว่า บารมีของหลวงตาแล้วจะสําเร็จรุ่่วงไปทุกแห่ง น, นะถ้าว่าพวก เ, เราที่อ้างถึงเจดีย์หรือว่าอ้างถึงบารมีของหลวงตาเพราะหลวงตาเป็นผู้มีคุณูปการมีบุญวัสนาบารมีอย่างมากเพราะฉะนั้นหะนะลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยจะสําเร็จรุ่่วงไปได้ไม่ต้องสงสัยนะี่แหะหลวงพ่อว่านะ